ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโพติยานได้นำเสนอสมาวาจาคือการเจรจา ช, ชอบมาโดยลำดับตอนนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราจะเห็นว่าเอาควาจริงแล้วสีสีข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วก็เป็นบาปสากลที่เรียกว่าเป็นโลกัตชะหรือถ้าใครไปล่วงละเมิดก็เป็นความผิดสากลตอนการสํารวมระวังรักษาไม่กระทําบาป ท, ที่เป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ประทุษร้ายในทางเพศตลอดตั้งโกหกลกลวงเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการเว้นจากกรรมกิเลส า ก, การกระทาที่เกิดขึ้นด้วยสภาพจิตที่เศร้าหมองแล้วก็เป็นผลก็เป็นเรื่องของความเสื่อมเสียเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นอันตรายเพราะนเวลาท่านได้แสดงอนิสง์ของพวกธรรมะเหล่านี้ธรรมะปฏิบัติเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายเนี่ยก็เป็น งานของปราชกตถาจารย์ซึ่งอธิบายคำพีปรมัตถโชติกาคือเป็นคำพีระดับอันถกถาแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตให้ดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นการรวบรวมมาจากคำพีพระไศยบิดกนั่นเองแต่ว่าปรากฏกระจกระจายอยู่แล้วก็ท่านก็นำรวบรวมมาร้อยเรียงกันขึ้น ก็กลายเป็นความสมบูรณ์ในเรื่องเหล่านั้นก็นี่เพื่นสังเกตเช่นคำว่าอนัตตาเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเราก็พบว่าก็ทรงแสดงคราวลันัยยะเช่นนยะหนึ่งพูดถึงเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้นยะหนึ่งพูดถึงทรงกันข้ามกับอัตานยะหนึ่งพูดถึง การไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆในยาหนึ่งก็พูดถึงพอแ ย, ยกย่อยไปแล้วก็ไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของการเกาะกลุ่มกันขึ้นของการธาตุรัตนะทั้งหลายเป็นต้นคือถ้าเราจะหาความเข้าใจเราต้องอ่านอย่างน้อยทั้งสี่สูตรแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะฮะกระจาย ก, กระจายอยู่ในชีตต่างๆ ประตถาจารย์แล้วก็รวบวมเอาไว้ในที่เดียวกันเราอ่านรวดเดียวเราก็เข้าใจเนยะต่างๆอย่างน้อยก็สี่นยะหรือแม้แต่เวลาพูดเรื่องขันติความอดทนเราก็จะพบป้าก็กระจากระจายอ่ะบางครั้งก็เป็นพูดถึงการอดทนต่อความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติทั้งหลาย บางครั้งก็พูดถึงการอดกั้นอดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายแก่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางครั้งก็ส่งแสดงถึงการอดกั้นอดทนต่อความเหนื่อยยากลําบากตักตรำในการปฏิบัติภารกิจการงานงต่างๆบางครั้งก็พูดถึงแรงกระแทกมาจากข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ที่ยั่วยุให้เกิดความโกรธ แล้วก็ย่อยู่์ได้เกิดความยากเพราะปริยายเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆพระอัริยะอาจารย์ท่านก็รวบรวมมาไว้ในชี้เดียวกันแต่ทีนี้มันไม่ใช่พระไตรปิฎกไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระไตรปิฎกวางกระจายอยู่เพราะนั่นก็รวบรวมเรียบเรียงมาไว้ในระดับอัจฉริยะซึ่งเป็นการอธิบายเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกนั่นเอง ดันั้นพระคมพีปรมัติโชติกาเนี่ยท่านก็อธิบายเรื่องอานิสงค์ของการรักษาศีลศีลห้า น, นั่นแหละเอาไว้ก็วิจิพิสดานะฮะแต่ละข้อเนี่ยอย่างน้อยก็สิบกว่าขึ้นไปอานิสงค์ทีนี้อานิสงค์ของการรักษาศีลข้อมุสาวาตเนี่ยคือการงดเป็นจากการพูดเท็จพูดสออเสียดพูดกำมยาพูดเหลวไหล แล้วก็มาพูดคำสัตว์คำจริง ค, คำส่งเสริมสมัคคีประสานสมัคคีกระชับสมัคคีคำที่ไปร่ออนหวานแล้วก็คำที่มีสารประโยชน์เนี่ยแสดงไว้ว่ามีอานิสง์ถึงสิบสี่ประการด้กกนประการแรกเนี่ยวิปสันนินยตาคือมีอินทรีทั้งห้าอันผ่องใส อินทรีย์นี่จริงอินทรีย์เนี่ยมันมีสิบแปดอินทรีย์ตรงนี้เราจะเห็นว่าในส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นรูปธรรมคือจากคุณซีโซตินซีคานอนินซีจิวินซีกายินซีนะฮะก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นอินทรีย์ที่มีความผ่องใสเส้นมาตาก็มีประกาย แล้วก็หูก็ฟังเสียงได้อย่างชัดเจนไม่นวกแล้วก็จมูกก็รู้กลิ่นได้ดีลิ้นก็สัมผัสรสได้ดีกายก็รับรู้สัมผัสได้ดีเ็าเรียกว่าอินทรีย์ที่ผ่องใสอินทรีย์หนึ่งที่จริงก็คือมินินีนะฮะมันก็เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิต กตแกมีพื้นฐานของคุณธรรมสี่้าประการคือศรัทธาความเชื่อมั่นในพระคุณพระพุทธเจ้าริยะความเพียรพยายามในการป้องกันบาปในการละบาปในการบำเป็นบุญในการรักษาความดีเอาไว้สติระลึกได้ระลึกทันนึกได้ถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดแต่สิ่งที่จิตคิดแม้นานได้สมาธิจิตใจตั้งมัน่น ไม่วกแวกไม่ซัดสายไม่สับสนแล้วก็มีปัญญาความรอบรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉนอินทรีย์เหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นในส่วนของการที่เกิดขึ้นโดยได้กรรมหรือกว่าชนกกรรมเนี่ยมันก็เน้นไปที่ตาหจมูลิ้นกายแต่ว่าที่เป็นคุณธรรมรอยู่ภายในมันก็เน้นไปที่อินทรีย์ทั้งห้าประการก็คือกันนะั่นนะคร เ็เรียกว่าเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันเนื่องจากการพูดวาจาเช่นนั้นอยู่โดยปกติมันก็สร้างเป็นลักษณะนิสัยเป็นจิตสันดานของบุคคลเหล่านั้นทานยังบอกว่าวิสัทธรรมะทุราพานิตาคือเป็นคนที่พูดวาจาไพเราะอ่อนหวานสละสลวยเป็นปกติวิสัย คือคนบางคนเนี่ยอยู่ในประเภทที่เรียกพูดหยากไม่มีพูดบางครั้งเนี่ยไพเราะเราจะเห็นว่าบางทีอย่างสุภาพตรีก็พูดคํามาคขาอะไรแต่อะไรเนี่ยเราฟังมันเหมือนกับดนตรีพวกะเขาใช้วันอายุอะไรบางบางทีก็งงอะ น, นะเวลาไปได้ยินนี่มันใช้วันอายุอะไรเนี่ยตัวเนี้ยคือแค้แค่คก็มีเสียงเอกเสียงโทเสียงซีนะแล้วก็เหมือนกับเสียงดนตรีทั้งๆแต่ว่าเขา เขาคุยกันเนี่ยแต่คำค่ะเนี่ยมันโดยทั่วทั้งบางทีเนี่ยมันเสียงมีบันนายกเอกบางทีใกล้ใกกับตรีนะฮะบางทีก็ใกล้ใกล้กับสาระเะฉยเฉยนั้นคือแสดงถึงว่าว่าจาไพเราะ ส, ะสะลัดสลวยเราฟังข่าวเวลาเราอ่านข่าวอะไรแต่มานั่งลองสังเกตเออเขพูดเก็บเขพูดไดเร็วแล้วก็ไพเราะสลัดสลวย ถ้าเมื่อเสียงภาษาแบบนี้ผู้ชายออกไม่เป็นนะ่ออกเสียงไม่เป็นเพราะควารู้สึกมันมันใกล้เคียงกันมากเวลาเราจะเขียนหนังสือทัางหากอะไรแต่อะไรบางทีก็ต้องถามเขาว่าตรงนี้เขาออกเสียงยังไงเขาใช้ตัววรรณยุกอะไรหรือเปล่านี่ก็คือวายจาร์ที่เขาสละสลวยเขาไปเราะโดยโดยกาหนด คือเสียงบางทีเนี่ยเป็นเสียงที่สามารถสยบคนได้นิ่มๆเนี่ยแต่ว่าสยบคนผู้ฟังไว้ได้นั่นก็เป็นผลเป็นอนิสงส์ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการสร้างลักษณะนิสัยที่เป็นคนดำรงอยู่ในวจีสุจริตทั้งสี่ประการแล้วข้อต่อไปนั้นท่านเรียกว่าสมสิตะสุทธะดันตาคือมีฟันอันเสมอชิด แล้วก็ขาวสะอาดเรื่องฟันคนนี่แปลกนะฮะคือเคยสังเกตมานานว่คนพวกอินเดียพวกแขกเนี่ยทําไมฟันก็ขาวแล้วฟันก็ค่อนข้างสวยแต่คนบางคนฟันค่อนไปทางดําสีน้ําตาลสีเทาสีอะไระอะไรไปเนี่ยนะฮะแล้วฟันขาวเรียบสนิทสวยงามนี่หายากน ะ, ะแม้แต่ว่าคนในครอบครัวเดียวกันก็แสดงว่ามันเป็นผลของชนกกรรม หรือกรรมที่นํามาเกิดมันก่อให้เกิดอย่างเนี้ยที่จริงถ้าเรามองในประสูนต์ที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้วผลเป็นมาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนเนี่ยมันเป็นผลบุญที่สร้างคือสร้างรูปเนะ่ยที่เราเรียกว่ากรร ม, มัชรูปคือรูปที่สําเร็จมาจากกรรมคือการกระทําของคนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูหลัก พระ บ, บาลีพุทธวจนะที่ทรงแสดงไว้หรือแม้แต่ในพระสูตรเนี่ยจะให้ละเอียดพิสดารคือนับมาตั้งแต่ปลายผมมาเลยเรมเกิดมาจากอะไรอันนี้มันเกิดมาจากอะไรอะไรต่อะไรเวลาถามโยงไปโดยพระสัพพัญญตญาณเนี่ยพระเจ้าจะอธิบายเราเข้าใจได้ว่านี่มาจากนี้นี่มาจากนี่นี่มาจากนี้นาานแต่เวลาแสดงโดยภาพรวมๆก็ทรงใช้คำว่าบุญญาณิธิแล้วขุมทรัพย์คือบุญ ถึงก็หมายความว่าบุญธรรมกรรมแต่งที่คนทำเอาไว้เนี่ยนั้นทำให้ฟันเสมอแล้วก็ชิดแล้วก็ขาวและสะอาดคนบางคนฟันทางฟันห่างแล้วก็สี่ใหญ่ซี่ขเขยืนบางทีก็ขเขยือนก็ไม่สวยงามทาความสะอาดก็ลำบากเพราะงั้นผลบุญในลนนักษณะนี้มันจริงไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องระดับสังคม การติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สร้างความรู้สึกเป็นมิตรสนิสนมกันเป็นหนึ่งกันเดียวกันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนของบุญกุศลที่ทําพบชาติแต่มันประนีตขึ้นมีจานวนจานวนหนึ่งท่านใชก้กข้มาตกแต่งพบชาติให้ประณีตหมายความว่าเล็กเวลาใครบําเพ็ญบุญกุศลต่างๆแล้วเนี่ย ส่วนหนึ่งมันทําให้พบชาติที่ประณีตหมายความว่าเป็นกรรมที่ยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปแต่บาอย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อเรามองดูตามความเป็นจริงว่าชีวิตของเราเนี่ยที่จริงมันมีกรรมซ้อนกันอยู่ในชาติปัจจุบนนันมีกรรมอยู่สามประเภทกรรมที่เรียกว่าอัปราปะระเวทนากรรมซึ่งมันตามมาในพบชาติอดีตและอุปปัชเวชนิกรรมคือกรรมที่เราทําไว้ในชาติก่อนน่ะตามมาให้ผลในชาติปัจจุบนัน แล้วก็ที่จะทาเวทนียกรรมคือกรรมที่เราทำในชาตินี้แล้วกะให้ผลในชาตินี้ซึ่งแน่นอนไม่ได้ให้ผลหมดส่วนหนึ่มมันก็ยกยอดไปเป็นกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปส่วนกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปในชาติก่อนนะฮะซึ่งก็มาให้ผลในชาตินี้มัน ก, ก็กลายเป็นอั ป, ประประเวทนียกรรมคือกรรมที่ตามกล ต, ตามต้อยไปให้ผลเราก็เจอกรรมอยู่สามประเภทตลอด เราสังเกตดูนะฮะเวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านอธิบายในชาติหน้าแต่เราจะลืมเป็นจังสารวัดมันเป็นวงกลมแล้วก็หมุนหนุนเนื่องกันไปปิดเกรกรรมไปบากแล้วก็แยกก็ไปโดยลําดับข้อต่อไปนั้นท่านบอกว่าไอ้รูปร่างหน้าตานะนาติทูลตาไม่อ้วนอย่างเกินไปไอ้รูปร่างคนเนี่ยก็แปลกก็เห็นว่าคนบางคนในสุดทรงสมส่วนสวยงามรูปร่างก็ดี แต่คนบางคนก็รูปร่างไม่ดีอย่างเราดูว่าพวกคนพรังเนี่ยสู้ส่งก็จะดีแต่ว่าเอาก็จริงๆมันก็ไม่ดีทั้งหมดเพราะใ น, ในรูปร่างเนี่ยมันเรื่องแปลก น, นกันว่าเป็นผลของกรรมไหมหรือว่าเป็นผลของกรรมพันธุ์หรือว่าผสมกันหรือว่าเป็นสายเลือดของพ่อแม่แต่สรุปว่าต้องผสมกัน ก็ถ้าเราลองลองดูในกระบวนการเนี่ยว่าอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขัรเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยเกิดนามรูปเนี่ยเรามาดูถึงตรงนเนี้ยสี่ข้อนี่สีจังหวะเนี่ยก็แสดงว่าความความเข้มข้นของกิเลสกับความเข้มข้นความเจือจางของกิเลสเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในซึ่งกรรมถ้าว่ากิเลสมาเข้มข้นบาปอกุศลก็มาก แต่ถ้ากิเลสมันเจอจางลงบุญกุศลมันก็มากพวกนี้มันก็กลายเป็นวิญญาณที่มีคุณภาพยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันแล้วเมื่อเขาปฏิสนธิกลายเป็นนามรูปจะเป็นรูปคนสัตว์อะไรอะไรก็ตามรูปร่างมันก็จะแตกต่างกันโดยการจำแนกของกรรมที่ท่านบอกว่าตกแต่งพบชาแต่มันประนีตขึ้นไปทีนี้เมื่อไม่อ้วนเกินไปก็แสดงว่าก็ต้องไม่ผอมเกินไป ไม่ผอมเกินไปไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยจนเกินไปอันนี้ส่วนมากจะเป็นสูตรเป็นสูตรที่เราเจอบ่อยคือเรียกว่าพอดีนะพูดง่ายว่ามันอยู่ในเกณฑ์พอดีไม่อ้วนนักไม่ผอมนักไม่สูงนักไม่ต่ำนักถือว่าเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานตามสัดส่วนของคนเราเนั่นนี่ก็เป็นอานิสงส์ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการ พูดจาคำที่เป็นวจีสุจริตแล้วก็สําแดงออกมาเป็นรูปร่างเป็นกรรมัชรูปคือกรรมที่สร้างให้เป็นรูปร่างขึ้นมารูปร่างของคนมีความแตกต่างกันจนก็เรียกว่าวิจิตพิสดารนะคื อ, อยังนึกว่าเราก็ไม่ได้เคยเรียนแพทย์มาแต่ว่ายังคิดว่าคนทุกคนเนี่ยร่างกายไม่เหมือนกันอาวียวัตแต่ละส่วนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน มันมียิ่งมีหย่อไม่แตกต่างกันแสดงว่าเป็นรายละเอียดที่การจำแนกของกรรมเนี่ยกรรมจำแนกแบ่งแยกให้คนมีความเลวมีความประนีตยิ่งหย่อนแตกต่างกันไปโดยลำดับประการต่อไปก็ปากหอมเหมือนดอกบัวไอ้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญดีนะกลิ่นปากของคนบังชีเนี่ยแม้จะ อ, อะไรมาช่วยมันก็มีกลิ่น แต่บางคนไม่มีกลิ่น ม, มีกลิ่นปากซึ่งก็แสดงว่านอกจากเขาจะรักษาแล้วโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยธรรมชาติของเขาเป็นคนที่ไม่มีกลิ่นปากคือเกิดมาเนี่ยกลิ่นปากหอมเวลาเปลงเสียงออกมาท่านบอกว่ากลิ่นเหมือนกับหอมเมื่อกอดดอกบัวเป็นกลิ่นดอกบัวไม่จะหอมจนแรงๆอ่ะนะคือหอมธรมธรมดาธรรมดาแต่สรุปว่าก็ไม่มีกลิ่นปากสหน้าขยักข ย, ยั่ง แล้วก็มีสัมผัสอันเป็นสุขสัมผัสในที่นี้ก็คือมันเป็นอะไรล่ะปฏิกิริยาคือหมายความมาเรามีกิริยาต่อคนอื่นในเรื่องโสตสัมผัสเนี่ยเป็นความสุขแต่เราอย่าลืมวาคนที่พูดจาไปเราได้ในหน้าตาก็ต้องยิ้มยานแจ่มใสด้วยนะฮะซึ่งก็หมายความว่าจะคุของเขาก็ได้สัมผัสในสิ่งที่เป็นสุข แล้วก็โสตะคือหูที่ได้ยินเสียงก็สบายหูเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นปฏิกิยาที่ตอบสนองตอบสนองเราให้ได้มีสัมผัสที่เป็นสุขคือจะขูสัมผัสโสตะสัมผัสก็ทั้งหมดอะพวกอินรียห้านั่นแหละถึงหมายความว่าสัมผัสที่ผ่านมาทางตาหูจหมูกลิ้นกายจนถึงกใจเนี่ยมันจะไม่ทาให้เกิดความราร้อน เพราะว่าคําพูดคําสัตว์คําจริงก็ดีคําส่งเสริมสมัครีไปสานสมัครีกระชับสมัครีไปเราอ่อนหวานในคําที่เกิดประโยชน์คนอื่นก็ฟังแล้วเขาสบายหูเขาสบายใจเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นกรรมที่มาสนองเราเคยทาให้เราได้รับสัมผัสที่เป็นสุขคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องไปได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าไม่น่าได้ยินได้ฟัง นั่นก็แสดงว่าถ้าเรามองอีกทีหนึ่งก็เป็นผลกรรมเป็นผลของอดีตกรรมของเราเหมือนกันที่ต้องไปเจอกับเหตุการณ์อย่างนั้นไปเจอกับบุคคลอย่างนั้นแต่ว่าส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้กระทาให้สัมผัสเราเป็นสุขมีบริวารชนล้วนแต่ขยันขันแข็งนี่ก็หมายความว่าเป็นผลบุญที่ทําให้มีบริวารมากเป็นบุญญาธิษฐาอย่างหนึ่งนะะเป็นเป็นเป็นผลบุญอย่างหนึ่ง เพรตามปกติแล้วคนเราที่ใช้วาจาผูกมัดกระึงจิตใจของคนเอาไว้ให้เขารู้สึกประทับใจรู้สึกดื่มดำ่ำรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยมันก็กลายเป็นลักษณะนิสัยเพราะคนที่มาอยู่ร่วมด้วยมาทํางานด้วยมาเกี่ยวข้องมาผูกพันกันก็ได้ยินได้ฟังวาจาที่ไพเราะอ่ อ, อนหวานจากเราก็าจะทํางานด้วยการทุ่มเทจิตวิญญาณลงไป ก็มีความขยันขันแข็งแล้วก็ด้วยผลของบุญเนี่ยเพราะปกติวิสัยที่เราดำรงอยู่ในสุจริตในตอนแรกๆเนี่ยคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่เมื่อได้ยินได้ฟังเข้าบ่อยๆก็จะเกิดความศรัทธาเรื่อมใสคือเกิดความเชื่อในคำพูดนั้นเ แ, แสดงว่า กลายเป็นบุคคลที่พูดจามีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์นะถ้าคนเหล่านี้พูดออกไปแล้วก็จะเชื่อได้นั่นกาวไปองก่อนไปอ่านข่าวเล็กๆมีข่าวว่าเขาพระไปหลอกลวงเงินชาวบ้านพูดมันดูแล้วมันยังนึกว่าพระนี้มันเป็นพระมาได้ยังไง คือเขาไปจากเงินเพื่อสร้างกุตติแค่ห้าหมื่นนั้นเองนะแล้วก็ไปยักยอกจนเอาเงินเนี่ ย, ยอดหนึ่งส่วนหนึ่งไปเล่นการพนันแล้วก็ในที่สุดก็ถูกจับศึกซึ่งยังยังเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคือสำนึกภายในจิตใจใน่รู้สึกอ่อนแอมาก พอดูแล้วไม่น่าจะถลำตัวลึกลงไปขนาดนั้นแล้วเงินมันก็ไม่มากความเป็นพระเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคือเราจะต้องรักษาเอาไว้คือเวรีนนรู้สึกเบื่อห น, น่าอย่างหนึ่งเวลาไปไหนต้องไปเครื่องบินนะคือมันไม่ค่อยให้เกียรติพระมันตรวจเมืองกับเป็นเป็นอนาดีกาลอะไร มีลูกศิษย์บางทีเขาเล่าให้ฟังตรวจต้องไปเอาหนังสือสุทธิมาเทียบแล้วมายืนดูแล้วก็ดูหน้าดูรูปดูหน้าดูรูปเลยเล่นกันขนาดนั้นเลยแล้วยังนึกไม่ออกว่าเขามีสิทธิ์อะไรมาสวดอย่ามาเวลาเนี้ยไปถ้าถ้าจําเป็นต้องไปแต่ว่าชามชามเลี่ยงไม่ยอมขึ้นเครื่องบินถ้าไปเราก็จะนั่งบิสเนสบิสเนสนะจ่ายเต็มนะก็ไม่มีสิทธิ์มาตรวจอะไรเรา แต่เขาก็ยังสวดย่งนึกว่าการบินไทยนี่รักคุณเท่าฟ้าจำปีะอะไรแต่ไรเนี่ยคืองคิดกันมันยังไงว่าทําไมพอออกกดแล้วไม่นึกว่าในพระนี่เขาไม่ทําหรอกเขาไม่ปลอมเขาไม่หลอกแล้วมันหลอกไม่ได้มันทําไม่ได้มันขาดจะความเป็นพระเขาออกกฎมาเนี่แม่นึกว่าในบ้านเมืองประเทศไทยนะี่มันมีพระเยอะด้วยไอ้กดเหล่านั้นนะ่ะคุณชายกระโจนนั้นได้แต่ไม่ต้องมาชายกับพระหรอก เอาเด็กๆในเด็กเล็กๆไงนะเด็กอายุยี่สิบกว่าป่ามาตรวจพระแล้วสมมติว่าจะมีคนปลอมเนี่ยจะรู้ได้ไง่าปลอมเพราะเธอไม่รู้จริงคืออะไรอะเอกสารต่งางๆในเธอไม่รู้ไม่เคยรู้ว่าจริงคืออะไรแล้วไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมันเป็นแค่บริษัทมหาชนเท่านั้นเองคือมายังถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเพราะเราไปแม้แต่ต่างประเทศเนี่ยเขายัางให้เกียรติ แต่ว่าการบินไทยเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พวกขายตั๋วกับพวกนี้พวกเช็คเนี่ยข้างบนดีข้างบนในบริการดีแต่ว่ายังนึกว่าต้องเจอกับผู้ใหญ่ในการบินไทยเนี่ยต้องคุยกับความดีว่าคุณวางกฎวา ง, กวางเกณฑ์อะไรนี่คุณเป็นแค่บริษัทเท่านั้นเองนะคุณไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐที่มีอำนาจหน้านนที่ตามกฎหมายจะมาตรวจสอบคน คนอะไรใครได้ไอ้คนมาทำให้เธอแต่ว่าเรื่องบางเรื่องนี่นะขนาดโดยตรวจสุทธิพระเนี่ยมาว่าเกินเหตุอะรับไม่ได้จริงๆรู้สึกว่ามันเหมือนกับพระไม่มีไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเอาเด็กอะไรมาตรวจก็ไม่รู้คนเราเรื่องเกียรติยศเรื่องศักดิ์ศรีนี่มันมันพอสมควรนะคือ <c oughs> ต้องให้กันพอสมควร แล้วก็เวลาเนี่ยเวลาก็พยายามเลี่ยงจะไม่ไปไหนทางครือบินบางทีไปนครยังเอารถลงไปนะฮะเพราะว่านายตรงนี้นายประเด็นตรงนี้ไปเห็นเห็นเห็นคนของการบินไทยโดยเฉพาะที่พวกตีตัว๋วเขียนอะไรเกินไปเรื่อยๆอบ่อยแล้วก็เวลาตรวจเนี่ยซึ่งซึ่งมันเข็บงวดเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็ดีนั่นแหละ แต่บางทีเป็นพักๆในข่าวว่าตั้งแต่เครื่องบินระเบิดเนี่ยนะแล้วไปเข้มงวดเราพูดโดยสารมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพูดโดยสารน่ะมันเป็นอุบัติเหตุก็ตัวการไม่แล้ ว, ว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วทําไมไปลงโทษพูดโดยสารแล้วบอกว่าบริการในรักคุณเท่าฟ้าเลยก็สงสัยเหมือนกันแล้วเวลาพูดบางทีเนี่ยมันมันไม่เนึกว่าเราเป็นพระก็ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายต้องฟังทงหลายแต่รวมพ่อพทธานในวันนี้ขอยุติไว้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญว่องงามไพภูมในธรรมจุมีแั่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี